b ในห้างสรรพสินค้าเด PARTMENT STORE d e เ PARTMENT STORE เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมอันเ PARTMENT STORE อ प ันดี p a r ट m e n t store midway คाดิฉันต้องไปซื้อของ म ล काही खरेदी क र คา ร, รายชียาเฮมล क กะฮีขารีดีคาร ह ยดิฉันอยากซื้อของหลายอย่าง म ลากูบขารีดีคารายชีา ล, ลากบขารดี च ीรา แผนเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะการย้ายยินสัมารกุท้กย้าินสมภาระกุเดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนมาลลฟอะนี่เลสิตาเมลฟ้ฟอนเลขนสาหิตยาเจดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิกมาลาเ็น อันนี้มาร์คเกอร์พายเจตมัลลาเพนอันนี้มาร์คเกอร์พายตผนัฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน फ ฟอร์นิเจอร์คูเทียะเฮเฟอดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชัก मला एक मोठे कपाट ่ ण ि ख ด असलेले एक छोटे कपाट घ ็ य ๆชัेเข่ เอกโม่ทะกับปาร์ตอันนี้ขนอสเลเลเอกชอตทะตใหเันต้องการโตเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือมลอกบากไปเจมลานกผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะเขนเขน ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีมัลลาเอกบาฮูลีอันนี้เทบเจกบทดีหิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก म ัลลาฟุตบอลอันนี้บุษฐีาาาปราชญ์จะปัดไหออันนี้าเจแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ ฮัตตี้อ ह ร์คูดแหย่เ ह े त ดิฉันต้องการคอนและคีมมัลลาเอกหัตโอดะ क ัน्ี้เอกปัेกัดแหย่เจียเหตุมัลลาเอกหัตโอดะอ้กดแิฉันต้องการสว่านและไขควงมัลลาเอกดริลล์อันนี้สกรูไดรเวอร์ไปเ ज े แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนดากินันซาวิบักกุเทียาันซาวกุเดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือมัลลาเอกมารアニเอก क ัตคังคันป म ายเจมัลลเกมารアเกฮังันปายเจดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูม ल ล ए าเอกอัง आणि कर्ण भूषण पाहिजे मला एक अ ंหิจีมลล่าเอกอังทีอั